ลายความติดใจยินดีในสิ่งที่ยึดถือไว้นั้นๆเมื่อยึดถือไว้ก็เป็นอุปาทานและสิ่งที่ยึดถือนั้นก็มาเป็นอุปธิทรงใจครอบงาใจแต่ว่าเมื่อน า, นายพระมองเห็นว่าเป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ ก็ทำให้วางความยึดถือวางลงเสียและเมื่อวางลงได้ก็ออกได้ ก, ดไดก็สงบได้และความรู้ก็เป็นความรู้ที่ถูกต้องที่สมบูรณ์ไม่ใช่เป็นความรู้หลงดังกล่าวนั้น เพราะฉะนั้นอันนี้เองจึงเป็นตวัวบทความหลุดพ้นไม่ใช่อะไรอื่นปฏิบัติเมื่อใดก็ได้เหมือนนั้นแต่ดูให้รู้จักเอารู้นี่แหละแก้รู้คือเอารู้ถูกแก้รู้ผิดเมื่อเป็นดังนี้ก็จะพบตัวความสุขที่เรียกว่เาเนคัมมสุขเป็นต้น อันต้องอาศัยสุญญาตาคือความว่างตามหลักของพระพุทธศาสนาการปฏิบัติในสติปัฏฐานทุกข้อทุกบทก็รวมเข้าในสุญยตาคือความว่างนี้เหมือนกันต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปบัทนี้จาก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 เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมปัญญาในธรรมก็ดังที่ได้ ก, กล่าวแล้วต้องอาศัยมีจิตบริสุทธ คือจิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิจึงจะได้ปัญญาอันเป็นความรู้ความเห็นที่ถูกต้องแจ่มใสในธรรมะที่เป็นสัจจะคือเป็นตัวความจริง และจะต้องมีศีลเป็นภาพพื้นจึงจะได้ปัญญาในธรรมคือสัจจะที่เป็นตัวความจริงแม้ตั้งแต่ในขั้นสัจจะสามัญในอดิยสั์ การปฏิบัติในสติปัฏฐานก็เป็นการปฏิบัติทำจิตให้บริสุทธิ์เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมทุกข้อทุกบทกล่าวอีกอย่างหนึ่ง ก็คือจะต้องมีสุญญตาคือความว่างจากกิเลสและกองทุกข์ไปโดยลำดับตั้งแต่ในขั้นตน้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงธรรมปฏิบัติในพุทธศาสนาเป็นขั้นศีลขั้นสมาธิขั้นปัญญาเพื่อวิมุตตดังกล่าวและก็อาจกล่าวได้ว่าเป็นการทรงสอนให้ ปฏิบัติในสุญญตาวิหารนั่นเองและยังได้ทรงสั่งสอนถึงวิธีฟังธรรมของพระองค์ ดังที่ได้ตรัสสอนไว้ในท้ายพระสูตรที่ว่าในสุญญตานี้มีความว่าท่านทั้งหลายอย่าได้ติดตามผูกพันเรา ตถาคตเพื่อที่จะได้ฟังธรรมในแง่ของพระสูตร เป็นต้นซึ่งเป็นทางปริยัติคือเพื่อที่จะได้ทรงจำทำความเข้าใจเท่านั้น เพราะว่าการฟังมุ่งเพียงทำทำความเข้าใจบรรดาสาวกทั้งหลายก็ย่อมจะได้ฟัง ได้จดจําได้ทำความเข้าใจกันมาแล้วฉะนั้นหากว่าจะติดตามผูกพันพระองค์เพื่อฟังธรรม ก็ให้ฟังเพื่อที่จะได้เป็นเครื่องขัดเกลากจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดเพื่อที่จะให้เป็นที่เที่ยวไปของใจ อย่างสบายคือปล่อยใจให้เที่ยวไปในธรรมที่ฟังอย่างสบายๆเพื่อที่จะ ได้บังเกิดความหน่ายความสิ้นติดใจยินดีเพื่อดับตัณหาความดิ่นรนที่ยานยากเพื่อความรู้พร้อมเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อที่จะดับกิเลสหรือถอนตันหาออกจากจิตขอให้มุ่งฟั ง, ฟงธรรมเพื่อผลดังกล่าว และเมื่อมุ่งฟังธรรมเพื่อผลดังกล่าวนี้ก็ไม่ต้องกังวลในอันที่จะจดจำถ้อยคำสำนวนนของธรรมะที่ฟัง ไม่จำเป็นที่จะต้องตั้งใจจดจำหัวข้อของธรรมต่างๆที่เรียกว่าเป็นการฟังทางปริยัตเท่านั้นเพราะว่า การฟังเพื่อมุ่งทางปริยัติมุ่งจดจำถ้อยคำสำนวนจดจำถึงลักษณะของธรรมะที่แสดงเป็นร้อยแก้วบางเป็นร้อยกรองบาง แลเป็นลักษณะอื่นๆซึ่งจะเป็นภาระต้องกำหนดจดจำสับแสงถ้อยคำสำนวนต่างๆจะเป็นบางคำบางประโยคหรือจะเป็นทั้งตอนๆก็ตาม และเมื่อมุ่งอย่างนี้ก็จะเป็นภาระที่จำได้บางจำไม่ได้บางจึงเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างและแม้ว่าจะจำได้จะเข้าใจจำได้เป็นตอนตอน จำได้เป็นหมวดเป็นหมู่ของธรรมที่สั่งสอนเป็นร้อยแก้วบ้างเป็นร้อยกรองบ้างสวดได้พูดทบทวนได้ ถ้าเพียงเท่านี้ก็ได้ผลเพียงเป็นแค่จาจาเป็นทางปริยัติเท่านั้นไม่ได้ผลในทางขัดเกลอิเลสไม่ในผลไม่ในผลไม่ได้ผลในด้าน เป็นที่เที่ยวไปของใจอย่างสบายเพราะว่าใจเที่ยวไปไม่สบายเกี่ยวจะต้องจดจำจะต้องแบกต้องหามบทตอนวัดหรือประเภท ธรรมะที่แสดงนั้นๆก็เรียกว่าใจท่องเที่ยวไปไม่สบายหนักคือฟังธรรมแล้วหนักไม่เบาไม่โปร่งไม่คล่องใจไม่แจ่มใส และไม่ได้เกิดความหน่ายความสิ้นติดใจยินดีความดับอิเลดดับทุกขอย่างไรเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนมาให้ผูกพันพระองค์ติดตามพระองค์เพื่อจะฟังธรรมเพียรยัิ ด, ดังกล่าวนั้น แต่ว่าให้มุ่งเพื่อที่จะได้ขัดเกลากิเลสในจิตใจธรรมะที่ทรงแสดงทุกข้อทุกบทจะเป็นร้อยแก้วก็ตามร้อยกรองก็ตามจะเป็นลักษณะของถ้อยคำอย่างไรก็ตาม ก็มุ่งเป็นเครื่องขัดเกลว์จิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดทางนั้นะฉะนั้นเมื่อฟังก็นำเข้ามาขัดเกลวจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดไม่เพิ่มกิเลสให้แก่จิตใจเพราะฟังธรรม แม้ว่าบางคำบางประโยคจะฟังไม่รู้เรื่องเพราะมีศัพท์มีแสงมีถ้อยคำมีสำนวนที่ไม่เข้าใจหรือว่าบางคราวจิตใจเองไม่ตั้งเพื่อที่จะฟังพุ่งสร้างไปเซ็นให้เรื่องอื่น กระแสของธรรมที่ฟังก็ขาดตอนไปเมื่อเป็นดังนี้ก็แล้วไปไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจหรือว่าที่จิตใจไม่ตั้งเพื่อจะฟังกระแสของธรรมขาดไปบ้างก็ขาดไปก็กลับมาตั้งใจฟังต่อไปเอาแต่ที่เข้าใจ แล้วที่เข้าใจนั่นก็ไม่ใช่หมายความว่าจะเข้าใจเพื่อจะจำแต่เข้าใจเพื่อจะได้เอามาใส่ใจขัดเกลาใจเอาเพียงเท่านี้ก็ใช้ได้เพราะว่าธรรมะที่ต้องขายกระแสไปบางตอนเพราะไม่เข้าใจหรือเพราะว่าใจไม่ตั้งจะฟังก็ตาม ก็แล้วไปเพราะว่าแม้ธรรมะที่ตั้งใจฟังและที่รู้เรื่องก็เพียงพอที่จะนำเข้ามาใส่ใจปฏิบัติขัดเกล้าได้คอยดับ ความไม่พอใจดับอารมณ์ที่เป็นนิวรณ์ที่เข้ามาหรือที่ดึงใจออกไปให้ใจตั้งสงบได้ฟังธรรมะที่เข้าใจสักคำเดียวสักประโยคเดียวเช่นสติปัฏฐาน เอาใจว่าให้พิจารณากายเวทนาจิตธรรมเพื่อดับความยินดีดับความยินร้ายก็คอยดับความยินดีดับความยินร้ายทำใจให้สงบสงบเข้ามาในภายในนําเอาสติมาตั้งอยู่ในใจ นำเอาขันติมาตั้งอยู่ในใจนำเอาเมตตามาตั้งอยู่ในใจคอยขัดเกลาใจเพราะวัตสตินั้นก็ตรงกันข้ามกับความหลงลืมหลงลืมสติ ก็คอยตั้งสติอย่าให้หลงลืมและไม่ต้องหลงลืมในเรื่องอะไรก็หลงลืมในเรื่องของกิจที่ทำอยู่ในปัจจุบันจนในปัจจุบันกำลังฟังทำก็จะหลงการฟังคอยตั้งจิตรับฟังก็จะต้องรู้จักธรรมะที่ฟังน้อยหรือมาก ก็นำเอาธรรมะที่ฟังนั้นมาดังฉันทั น, ทนว่าสติก็คอยทำสติอย่าให้หลงสติกำลังฟังธรรมอยู่ก็อย่าให้หลงธรรมที่ฟังให้สติตั้งฟังและทันว่าเมตตาดับ โทสะพยาบาทก็เอามาดับโทสะพยาการุณาดับวิหิงสาก็นำเขามาดับวิหิงสาในใจกำลังคิดจะเบียดเบียนใครอย่างไรก็ดับเสียหยุดเสียมุติตาดับฤศิยา กำลังนิสยาอะไรใครก็ดับนิสยาเสียอุเบกขาดับราคะปิคิฆยินดียินร้ายก็ดับยินดียินร้ายเสียวางเสียนำเข้ามาขัดเกลาใจดังนี้ นี่แหละเป็นการที่ฟังธรรมเพื่อที่จะขัดเกลาวและก็ปล่อยให้ใจเที่ยวไปตามสบายในธรรมที่ฟังและวิธีที่จะให้ใจเที่ยวไปตามสบายในในในธรรมที่ฟังนั่นก็ดังที่ได้กล่าวมาข้างตน้นไม่ต้องไปกังวลในถ้อยคำในสำนวนที่ไม่เข้าใจไม่ต้องไปกังวลใน กระแสธรรมที่ขาดตอนไปบ้างเพราะว่าใจไม่ตั้งจะฟังเอาแต่ที่ฟังเข้าใจแลพยายามที่จะประคองใจให้ตั้งฟังไม่ต้องไปเป็นภาระจะต้องจดจาถ้อยคำจะต้องไปโกรธสับแสงที่ฟังไม่เข้าใจเอาที่เข้าใจและที่ฟัง ได้ก็เพียงพอแล้วค่อยขัดเกลารใจและปล่อยใจให้ฟังอย่างสบายๆสบายๆไม่ให้เป็นทุกข์เราะฟังให้ฟังสบายให้ใจที่ยวไปสบายแล้วก็คอยขัดเกลารใจอยู่ดังกล่าวมาแล้วก็ยิ่งสบายขึ้นเพราะว่าใจที่ขัดเกล้าไปนั้น จะเป็นใจที่กระเสมที่ปลอดโปรง่งยิ่งขึ้นทุกทีก็จะสบายขึ้นทุกทีแต่ฟังธรรมที่ส่งเข้ามาสู่ใจก็ล้วนจะเป็นเครื่องขัดเกลาทั้งนั้นก็ยิ่งจะสบายมากขึ้นส่งใจไปตามสบายไม่เป็นภาระในการฟังดังนี้เรียกว่า ให้ธรรมะที่ฟังนั้นเป็นที่เที่ยวไปของใจอย่างสบายแล้วก็ให้เป็นไปเพื่อที่จะนายนายในสิ่งที่ติดที่ยินดีอันเป็นตัวกิเลสอันเป็นตัวก่อทุกข์ให้จิตผ่อนคลายความติดใจยินดีในสิ่งที่ไม่ควรติดใจยินดีทั้งหลาย ให้ดับกิเลสและกองทุกข์ในใจลงไปได้นี่เป็นใจความที่พระพุทธเจ้าตรัสสั่งสอนให้ฟังธรรมอย่างนี้เป็นวิธีฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้และได้ตรัสแสดงถึง อุปัตตวะอันตรายของบุคคลผู้เป็นอาจารย์อุบัติตวะอันตรายของบุคคลผู้เป็นอันเทวศึก ค, คืออุบัตตวะอันตรายของบุคคลผู้ประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติประเสริฐโดยที่ได้รัดที่แจงว่า อาจารย์บางพวกมุ่งปฏิบัติธรรมะเพื่อดับกิเลสก็เข้าป่าตั้งใจปฏิบัติต่างๆแต่ต่อมาเมื่อมีประชาชนทุกชาติชั้นวัน น, นับถือ และไปมาหาสู่มากขึ้นมากขึ้นอาจารย์นั่นเองก็เลยกลายมาเป็นภูที่หมกมุ่นอยู่ด้วยบรรดาแขกเรือที่มาหาเหล่านั้น และก็ทำให้กิเลสที่ตั้งใจจะละกำเริบ ม, มากขึ้นกิเลสนั่นเองก็เลยฆ่าอาจารย์ผู้ที่มุ่งปฏิบัตินั้นให้เสียไปไม่ได้รับผลเป็นความสิ้นกิเลสแต่กองทุกข์ใดดังนี้เรียกว่า อุปัททวะอันต ร, รายของอาจารย์อุบัททวะอันต ร, รายของอันเทวสิษ์คือสิทธิ์นั้นเล่าอันเทวสิษ ค, คือสิทธของอาจารย์บางท่านก็เข้าป่าปฏิบัติธรรมะเือที่จะละกิเลสและกองทุกข์ ต่อมาก็มีประชาชนทุกชาติชั้นวรรณะนับถือไปมาหาสูมากขึ้นมากขึ้นบรรดาอันเตวสิกธิ์คือสิทธิ์นั้นก็เลยหมกมุ่นอยู่กับบรรดาแขกเรือทั้งหลาย กิเลส ท, ที่จะทำให้สงบกรับพุ่งกำเริบ ม, มากขึ้นกิเลสนั่นเองก็เลยฆ่าเอาอันเทวสิทธิ์หรือสิทธินั้นให้เสียไปอีกไม่สามารถที่จะปฏิบัติเพื่อบรรลุความสิ้นกิเลสและกองทุกได้บุปผะทวะอันตรายของพรมจารีคือผู้ประพฤติประเสริฐ โอประพฤตธรรมนั่นก็คือว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกแม้จะมีประชาชนทุกชาติชั้นวรรณะพากันเข้าเฝ้าแต่พระพุทธองค์ก็ไม่ทรง หมกมุ่นอยู่บนด้วยบรรดาแขกเรือทั้งหลายละกิเลสแด้วจึงไม่มีกิเลสที่จะบังเกิดขึ้นมาทำให้เสียไปได้แต่ว่าบรรดาสาวกทั้งหลายของพระองค์นั้นบางพวก มุ่งความสิ้นกิเลสและกองทุกข์เข้าปฏิบัติในป่า